เ, เวลาเวลาเราจะทําความเข้าใจในเรื่องของพระธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนกลางๆเป็นคําสอนที่เป็นศีลเนี่ยในพุทธศาสนาไม่ใช่ข้อห้ามแต่เป็นข้อฝึกคําว่าสิกขาประทังหรือสิกขาบทเนี่ยก็แปลว่าข้อฝึกปาณาติปาตาเว ร, รมณีศิกขาประทัง สมาธิยามคำวสิกขาประทังศัพท์นั้นมาจากคำวสิกขาบทก็แปลว่าข้อฝึกขัดพฤติกรรมทางกายทางวาจาฝึกขันอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นศีลเป็นข้อฝึกไม่ใช่ข้อห้ามศีลเป็นสภาวธรรมทีนี้ประเด็นก็เลยอยู่ว่าคนบางคนบอกว่าศีลเนี่ยเป็นข้อจํากัด ทำให้ตนเองไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้เ mm hmm. พราะใจอย่างนี้แปลว่าเข้าใจผิดสี น, เ, นเป็นข้อฝึกที่สามารถทำให้ประกอบอาชีพด้วยดีและเป็นไปกัสุจริต mm hmm. การไม่มีสี น, นมันอันตรายถ้าถามว่า ฉ, ฉันเป็นคนไม่มีสีลหนึ่งฉันฆ่าก็ได้ฉันลักก็ได้ ฉันประพฤติผิดในกลามก็ได้ฉันพูดเท็จเป็นต้นก็ได้ฉันกินของมึนเมาถ้ามีคนมาบอกกับเราอย่างเงี้ยเราจะคบไหมมาขอสมัครงานกับเราผมมีคุณสมบัติ1ค่าได้จังหวะค่าต้องค่า 2. ได้จังหวะลักขโมยคอร์รัปชันคอร์รัปชันก็ต้องเอา 3. ก็คือว่ามีจังหวะในการประพฤติผิดในกางประพฤติทันที 4. ก็คือโกหกได้โกหก พูดส่อเสียดให้คนแตกกันได้พูดพูดคำหยาบได้ก็พูดเพื่อเจอรไร้าสาระไปวันๆข้อสุดท้ายก็คือว่าผมเป็นคนประทุสอบล า, ายตัวเองด้วยการเอาของบุญเมาใส่ในกระแสชีวิตนั้นผมไม่สนใจว่าใครวัดระแวงผมหรือเปล่าถ้ามีคนมาหาเราอย่างเงี้ยเราจะรับไว้ทำงานไหมเห็นหว่าจริงๆแล้วเนี่ยีหเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานสุด ที่ทำให้มนุษย์นั้นพออยู่กันได้พออยู่กันได้เท่านั้นเองอยู่กันแบบไม่เบียดเบียนกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะไม่โลภจะไม่โกรธหรือจะไม่มัวเมาลุ่มหลงแล้ว้าผิดีไม่ว่าจะมากหรือเราชันตรบมันก็เป็นไปตามว่าแล้วจะผิดข้อไหนและผิดกะเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าข่ามด นี่นคะ่าช้างบาบ ก, ก็ต่างกันอยู่แล้วความเพียรก็ต่างกันค่าช้างกับค่ามนุษย์เออก็ต้องแยกกันรายละเอียดนี่นะก็วัดกันที่ความเพียรพยายามบ้างวัดที่คุณธรรมของบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยกรณีแบบนี้ถึงบอกว่าถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้เราก็เลยแยกไม่ออกเช่นคนมางคลบอกว่าพอพูดถึงว่าให้มีศรรมีลมีกัลยาณธรรมปุ๊บบอกว่า โ, โหเป็นข้อจํากัด นี่กระบอกบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไม่หวาดระแวงกันอยู่อย่างการไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่อย่างชนิดที่ว่าออพอไปกันได้เนี่ยก็คือศีลห้าเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ถ้าจะพัฒนาต่อยังมีอยู่อีกแต่ถ้าบอกศีลห้าก็ไม่รักษาไม่มีด้วยแล้วเนี่ยไม่ได้ฝึกในศีลห้าเลยเนี่ยโอ้โหไม่มีหลักประกันเลยนะเนี่ย คนคนั้นไม่มีหลักประกันเลยว่าเราจะไว้เนื้อเชื่อใจยังไงเนี่ยใช่ไหมแล้วก็หน้าหวาดเราแวกด้วยนะว่าคนคนนี้ยเราจะไว้เนื้อเชื่อใจยังไงถ้าคนคนนี้มามาอยู่ในบ้านเราบอกเขาฆ่าได้ฆ่าเบอกเขาไม่มีศีลรักได้เขาลับชั้นได้ปล้นจี้ได้โกงได้เขาทําประพฤติในกรมด้วยโอ้โหยุ่งเลยเนี่ยยุ่ ง, งใครได้จังหวะโอกาสเขาทําทั้งนั้น แล้วคนแบบนี้มันน่าอยู่ด้ว ย, ยไหมไเออนี่เห็นไหมเราจะเห็นคุณความสำคัญของศีลมนุษย์มนุษย์ษที่พออยู่กันได้ก็ศีลนี่แหละเคาเรียกพออยู่กันได้แล้วก็ถ้ามนุษย์เนี่ยปราศจากเรื่องศีลห้าสิ่งโอ้โหไม่มีหลักประกันเลย ก็ก็ถ้าพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาและอาชีพไม่บริสุทธิ์แล้วจะพัฒนาไปสู่สภาพจิตใจที่ดีงามยังไงอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนล้วสภาพจิตใจที่ดีงามมันยังไม่พอนะหนคุณภาพสองสมรรถภาพสามความสุขแล้วยังถานเป็นฐานถ้าจิตถ้าสภาพจิตไม่ดีจะเป็นฐานปฏิบัติการทําให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จะเข้าถึงวิมุตได้ยังไง ม, มันก็ขับหมดแล้วนะ้เพื่อที่จะเรียกคนมาเพื่อที่จะเรียกคนทำเราอ้ากลัวว่าเป็นพิเศษแล้วอีนงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นไหมว่าเวลาเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้มันก็ต้องมาตั้งหลักตอนที่พทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปนิพัน์ที่ประทรับที่โพคณครพระเจ้าแสดงมหาประเทศ4ี่ ให้เป็นหลักว่าถ้าเกิดมีการอ้างว่านี่เป็นคำสอนของพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนของพระบรมศาสดาโดยท่านผู้นั้นเป็นพระเถระน่าเชื่อถื อ, อ, อพระตวาริทควรวางท่าทีในใจยังไงก็บอกให้รับฟังแล้วก็รับฟังมาแล้วก็อย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนปฏิเสธแล้วเมื่อรับฟังแล้วก็เอามาตรวจทานดูว่าลงในพระวินัยเข้ากับพระสูตรได้ไหม ลงในพระวินัยไม่ได้เข้ากับพระสูตรไม่ได้ก็แปลว่าขัดหลักของธรรมะและวินยัยเมื่อขัดหลักพระธรรมวินยัยก็แปลว่าขัดหลักที่พระศาสดาใช่ไหมว่าธรรมวินัยเป็นศาสดานี่พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อน อ, อนนุนธรรมและวินัยที่พระธรรมคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเนี่ยนี่แปลว่าตอนนี้เราไม่ใช่มีไม่มีหลักตอนนี้ไม่ใช่เราไม่มีพระศาสดาตอนนี้เรามีธรรมะวินัยเป็นหลัก มีธรรมวินัยเป็นศ า, าสดาแล้วก็มีธรรมวินัยเป็นหลักอ้างอิงเป็นที่ตรวจสอบเป็นที่ที่จะมาตรวจสอบว่าใครเป็นคนกล่าวตามพระธราารมศาสดรากล่าวไว้หรือไม่และปฏิบัติตามที่พระศ า, าสด า, าปฏิบัติไว้หรือพูดไว้หรือไม่และเข้าถึงคุณธรรมอย่างที่พระบรมศาสด า, าเคยบอกไว้หรือไม่ฉะนั้นเราเป็นคนมีหลักมีที่อ้างอิงเหมือนอยู่ครั้งหนึ่งวัสดกาลรพารรม ตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วในี่วสกาลพามเป็นอามหมัดของพระเจ้าประสิทธิ์ที่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไปหาพระอนุน์เมื่อเข้าไปหาพระอนุ์ไปกราบก็ถามบอกว่าพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วเนี่ยพระบรมศาสดาตั้งใครเป็นศาสดาตั้งใครเป็นหัวหน้าพระอนุ์ก็บอกไม่ได้ตั้ง <c oughs> ก็บอก้อาวแล้วไม่ตั้งอย่างนี้แล้วท่านอยู่กันยังไงท่านก็อยู่อย่างไม่มีหลักสิ ท่านก็อยู่อย่างหลักร้อยท่านก็มีอยู่แบบไม่มีที่พึ่งสิพระนอนก็บอกไม่ใช่ไม่มีหลักไม่ใช่ไม่มีที่พึ่งเรามีธรรมวินัยเนี่ยเป็นหลักเป็นที่พึ่งเรามีธรรมวินัยเนียเป็นศาสดาอ้าวแล้วมีธรรมวินัยเป็นหลักเป็นที่พึ่งมีธรรมวินัยเป็นหลักเป็นศาสดาทํำยังไงท่านก็บอกว่าเนี่ยทุกกึ่งเดือนพระก็เข้าประชุมกันในโรงอุโบสถก็เอาธรรมวินัยที่พระศาสดาบอกไว้มาสาธยายมาตรวจสอบกัน ถ้าใครทําผิดหลักพระธรรมวินยัยปุ๊บท่านพวกนั้นก็ยอมแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะ okay. ประตักเตือนกันเอาอะไรไปตักเตือนเอาธรรมวินัยเป็นตักตัวตักเตือนนะบุคคลที่ถูกตักเตือนภิกษุที่โดนตักเตือนก็ไม่ได้สําคัญว่าพระรูปนั้นกําลังว่ากล่าวเรานะแต่สําคัญตลอดว่านั่นคือพระศาสดาที่อยู่ในฐานะเป็นพระธรรมวินยัยกําลังว่ากล่าวตักกําลังแนะนํากําลังอบรมพร้อมสอนข้าพเจ้าอยู่ ฉะนั้นขาพเจ้าไม่ได้อยู่กันแบบไม่มีหลักไม่ใช่อยู่กันแบบไม่มีหัวหน้าไม่ใช่อยู่กันแบบไม่มีมีมีภาษาสดาตอนนี้เรามีพระธรรมวินัยเป็นหลักเป็นภาษาสราฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นปุ๊บเราก็เอาธรรมะวินัยเนี่ยมาเป็นหลักตรวจสอบมาเป็นที่อ้างอิงใช่ไหมถ้าใครพูดผิดหลักพระธรรมวินัยปุ๊บต่อจะให้เป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเป็นปู่ตายายยายเป็นพ่อแม่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างไรเราก็บอกรับไม่ได้เพราะว่า คุณพูดขัดหลักพระธรรมวินยัยก็คือพูดขัดกับพระศ า, าสดาฉะนั้นเราไม่เชื่อคุณใช่ไหมแสดงว่าคุณจํามาผิดคุณจํามาไม่ดีการจําของคุณเป็นการจําที่ขาดเคลื่อนและการปฏิบัติของคุณก็เป็นการปฏิบัติที่ขาดเคลื่อนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเราต้องการอยากจะรู้ว่าใครเป็นพุทธแท้หรือพุทธเพี้ยนแล้วก็ดูไม่ยากถ้าพุทธแท้ก็ต้องปฏิบัติตามหลักที่พระศ า, าสดาวางไว้คือธรรมวินยัยถ้าใครเป็นพุทธเพี้ยน ก็ดูรู้เลยว่าไอ้นี้ปฏิบัติผิดหลักถ้าทำวินัยที่พระศาสดาวางไว้จริงไหมเออตรงนี้ก็ไม่เห็นจะยากเย็นอะไรเลยเพราะถอ้อยเรามีหลักประเด็นก็ว่าขันมาที่พวกเราตอนที่พระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันทัปปรินิพานเนี่ยมารได้อาราธนาพยามารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็อาราธนาให้พระพุทธเจ้ารีบปริณิพานเถอะ พุทธเจ้าบอกดูก่อนมานผู้มีบาปตราบใดภิกษุของเรายังไม่เกล้ยกล้าอาหารยังไม่มั่นคงยังไม่แข็งแรงยังไม่ฉลาดในธรรมยังไม่สามารถประพฤรรติธรรมตามสมควรแก่โลกุตะลธรรมยังไม่สามารถเรียนจากครัวจาร์แล้วทรงจําบอกกล่าวเปิดเผยแสดงทําให้ตื้นทําให้ง่ายถ้ายังไม่สามารถประกาศหลักการของธรรมวินยัย จนมนุษย์ได้เทวดารู้ได้อย่างทั่วถึงเพียงไรหรือถ้ายังไม่สามารถแก้ปรละประวาทะคือบุคคลที่มากล่าวอ้างมาบิดเบือนพระธรรมวิ น, นัยให้วิปริตถ้ายังไม่สาวกของเรายังไม่เพล่วกระอาถานไม่สามารถแก้ ว, ว่าท่าที่ต่างได้ตราบใดเรายังจะไม่บรินิพานตราบนั้นนี่ยืนยันอย่างนี้เลยนะพญามารก็บอก ตอนนี้ภิกษุเป้ากล้าแล้วอาจฐานแล้วมั่นคงแล้วแข็งแรงแล้วภิกษุนี่ประพฤติทำตามสมควรแก่โลกุตละธรรมเข้าถึงวัฒธรรมแล้วภิกษุเรียนธรรมะจากครูอาจารย์แล้วเนี่ยสามารถฉลาดในศีลสมาธิปัญญาฉลาดในธรรมวิเนยแล้วสามารถแก้ประปวัตะได้อย่างชัดเจนแล้วและสามารถประกาศหลักการของพระรัตน์ไตรให้รู้ให้เทวดาและมนุษย์รู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงแล้วสมควรแล้วที่พระเจ้าเจวารีนิพพาน พระเจ้าก็ยืนยันต่อว่าถ้าภิกษุนีของเรายังไม่แก้วกล้าอ า, านารเป็นต้นเราจะไม่ปรินิพานมารก็บอกตอนนี้ภิกษุนี้ก็ฉลาดแก้วกล้าอ า, านารแล้วเหมือนกับภิกษุทุกประการเลย <rak ament> <üş aji> พระเจ้าก็ยืนยันต่อ อ, อุบาศกของเรายังไม่แก้วกล้าอ า, านารเป็นต้นยังไม่สามารถแก้วกล้าอาหารเหมือนภิกษุเป็นต้นเราจะไม่ปรินิพานมารก็บอกโอ้โหอุบาศกของท่านก็ของแข็งแรงแก้วกล้าอ า, านารแล้วพระเจ้า พุยากกว่าตราบใดที่อุบาสิกาของเรายังไม่กล้ากล้าอานฐารตั้งมั่นประพฤตรริทำตามสมควรแก่เรากุตระธรรมถ้ายังไม่สามารถเรียนกับครูกับอาจารย์จนสามารถทรงจําหลักการในพระรัตนตรยัยแก้ป ร, ปรัปปวทฒวัฒนที่ต่างได้และถ้ายังอุบาสิกาของเราถ้ายังไม่สามารถประกาศหลักการของพระรัตนตรยัยให้มนุษย์ได้เทวดารู้ได้อย่างกว้างขวางเพียงไรเราจะไม่ปริญญาผานเพียงนั้น พยามานก็บอกอุยอุบาสิกาของท่านก็แก้วแคลาอาถรรพ์มั่นคงสามารถเรียนจากครัวอาจารย์ทรงจําพระธรรมวินัยได้อย่างชัดเจนฉลาดในพระธรรมวินัยด้วยแล้วสามารถแก้วาทาที่ต่างปรับความเห็นที่ผิดให้ถูกได้และอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำพัสสัสนาของพระพุทธเจ้าให้สว่างรุง่งเรืองประดุจ ด, ดวงประทีพทําให้มนุษย์เทวดารู้ได้อย่างทั่วถึงแล้วฉะนั้นพระเจ้าควรบริญนิพพานได้แล้วพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอา้าใช่ไหมใช่ไหมภิกษุ ภิกษุณีวาสุกบาสิกาของเรามั่นคงอาหารงั้นดูก่อนมาผู้มีบาปเธอไม่ต้องขนขวายต่อแต่นี้ไปอีกสเดือนแต่ฐาคพจบรินิพานเข้าใจคำนี้ัหมแปลว่าอะไรแปลว่าพุทธบริษัท4มีหลักมีที่อ้างอิงมั่นคงในพระรัตนตรัยเห็นไหมสมัยนั้นน่ะพุทธบริษัทนี้เป็นพุทธแท้แทพุทธที่มั่นคงพุทธที่แข็งแรงในพระรัตนตรัยมาก แต่พราปัจจุบันจากพุทธแท้ก็กลายเป็นพุทธเพี้ยนนะฮจริงไม่จริงโอ้พอร่วมการผ่านไวัมาพุทธเพี้ยนก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเออแต่เนี้ยเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขใครก่อน mm hmm. แก้ไขเราจากเพี้ยนให้เป็นแท้ก็คือมีหลักก็คือมีพระธรรมวินัยเป็นหลักมีพระธรรมวินัยเป็นที่อ้างอิงฉะนั้นถ้าฟังใครพูดปุ๊บโอ้จับหลักได้แล้วก็มาอา้าวฟังได้ไม่มีปัญหาไม่เสียใจ ในขณะที่ฟังสิ่งที่ผิดแล้วก็ไม่ดีใจในขณะที่ฟังสิ่งที่ถูกแต่ฟังแล้วก็ได้สติสัมปชัญญะแล้วก็มาตรวจสอบเข้ากับหลักคือธรรมวินัยได้ตรวจสอบแล้วลงกันได้หมดแล้วก็อ๋อนี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยที่พระบรมศาสดาตัดไว้ก็โมทนากระท่านว่าท่านจำมาดีท่านประพฤติปฏิบัติได้ดีแล้วท่านอ้างยิงถูกต้องท่านมีหลักเนี่ยพวกเราทั้งหลายถ้าเราไปอ้างบุคคลไม่ได้เราต้องอ้างพระศาสดา เพราะตอนนี้เรามีภาษาสดาเป็นหลักมีภาษาสดาเป็นที่พึ่งมีภาษาสดาเป็นสารณามีภาษาสดาเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าชัดเจนไว้แบบเนี้ยเออแต่อย่างนี้ก็ชัดเจนนั้นถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมถ้ามี ก็ไอ้ตรงนี้ก็นี่มาก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ก็ทํามองดูก็ไม่ว่าใครไม่ว่าองค์กรไหนถ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมวินยัยองค์กรนั้นสถาบันนั้นก็เรียกว่าไม่มีหลักไม่มีที่อ้างอิง ก, ก็ต้องหวกระเพียนใช่ไหมแต่ถ้าองค์กรไหนสถาบันไหนกลุ่มชนไหน ที่ปฏิบัติตามหลักคือพระธรรมวินัยได้ยังถูกต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างทองแท้ถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติได้ถูกหลักมีที่อ้างอิงนี่เราก็ไม่ยากแล้วนใครจะอ้างว่าเออสถาบันนั้นองค์กรนั้นกลุ่มชนนั้นคณะนั้นค ณ, ณะนี้มาอ้างเราก็มีหลักแล้วเราก็ชื่นใจใช่ไหมเราก็หลักตรวจสอบได้ว่าท่านคนนี้จํามาดีหรือจํามาไม่ดีเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิด เข้าถึงจริงหรือไม่จริงออมีหลักอ้างยิงหมดเลยถ้าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจจะเป็นองค์กรไหนก็ได้ไม่ไม่จะเป็นพระนะท่านออกว่าจะเป็นพระภิกษุนะพี่เป็นพระเทระหรือเป็นกลุ่มคนสองสามคนหรือจะเป็นกลุ่มคณะสงฆ์ที่อ้างยิงว่าคณะนี้บริษัทนี้กลุ่มชนนี้ปฏิบัติถูกต้องกล่าวคําสอนขุนพเจ้าได้ถูกต้องแม่นยําแล้วก็ฟังพอฟังปุ๊บ เอามาเทียบเทียงกับธรรมะเขาวินยัยเข้ากันไม่ได้แล้วก็บอกนี่กลุ่มนี้จำมาไม่ดีแล้วก็ไม่ควรชื่นชมนไม่ควรชื่นชมก็เพียงแต่ ว, ว่าเนี่ยปัญหาไปไปมาก็จะย้อนมาที่พวกเราที่พุทธบริษัทนี่แหละว่าจะแข็งแรงอย่างที่พระเจ้ามั่นใจไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนที่พระพุทธเจ้ารับอราทนาจากพญามารปุ๊บแผ่นดินไหว เวลาประลานาไว้ต่อแต่นี้ไปสามเดือนจะถากว่าจักนิพพานจักปรินิพพานแผ่นดินก็สะเทือนสะท้านยันน้ำลองแผ่นดินพระนนก็ตกใจรีบเข้ามาเฝ้าพระเจชะว่าถามทูลถา ม, ถามว่าเหี้ยแทงแผ่นดินไหวมีอะไรบ้างพระบรมศ า, าสดาบอกว่าหนึ่งลมกำเริบออดินเนี่ยตั้งอยู่บนน้ำน้ไม่ตั้งอยู่บนลมนลมตั้งอยู่บนอากาศ พอลมเคลื่อนตัวน้ําก็เคลื่อนตัวเมื่อน้ําเคลื่อนตัวแผ่นดินก็เคลื่อนไหวอ๋อนี่เหตุแผ่นดินไหวข้อแรกประการต่อมาก็พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิจุติมาปฏิสนธิในครันของพระมารดาพระโพธิสัตวประสูติจากคันของพระมารดาพระโพธิสัตว์ตัดสรุปนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาณที่ใต้ตนพระสรีมหาโพธิ้าแสดงพระธรรมาจากให้เป็นไป ที่กุศินาราเออที่เวไอที่ตายสรีปรตานามฤกัยาวันเพืะอจะปองพระชนมายุสังขารที่ปาวาลาเจดีแล้วก็พระเจ้าเสด็จดับขั น, นธบริณิ พ, พานพระพ่านนนไล่มาตามลำดับโอ้ยุ่งล้องานนี้พระเจ้าบรออิปองพระชนมายุสังขารอย่างนี้ก็เลยรีบไป ร, รัถนาขอให้พระเจ้าทรงมีพระชนอยู่ พระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าดูก่อนะนอนนเธอเชื่อมั่นในสัมมาสัมโพธิญาณหรือเชื่อมั่นในอิทธิบาทภาวนาที่พระธรรมคตสแสดงสามารเจริญแล้วสา ม, มารถจะมีอายุ<ม>อยู่ถึงกับหรือยิ่งกว่ากับได้เชื่อไหมบอกเชื่อพระนนท์ก็ราชนาถกได้สามครั้งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออเธอชาบพยามารราชนาถถ้าหากว่าเธ อ, อราชพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเรา สถาคดแสดงนิมิตโอภาสเพื่อจะให้เธอเนี่ยอ ร, รัตนาเนี่ยสิครั้งแล้วก็บอกที่ราชคลึสิบครั้งที่เวสาลีหครั้งอันนี้เป็นความผิดของเธอเพรานั้นเป็นความผิดของเธอเนีเป็นความผิดของภิกษุเป็นความผิดของภิกษุนี้เป็นความผิดของอุบาสกอุบาสิกา ไม่ใช่ความแต่ผู้เดียวไม่ใช่ความผิดของ พ, ธธะพระธรรมกฏหลวงพานนทร้องไห้ไหมทุกใจไหมทุกใจต่อมาพระเจ้าก็ปลอบโยนให้เห็นความจริงของสังขารประดาสังขารทุกสังขารเป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะเป็นสังขารเล็กหรือสังขารใหญ่ร้วนมีความแปลปรนเป็นธรรมดาแตกสลายเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาคลายไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยง มีความมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็เปรี๊แปรปลวนในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดประดาสังขารทุกสังขารเป็นอย่างนี้เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วที่จะควรจะคลายกำหนันด ท่านก็อยู่อีกอยู่อีกกับ1คือ100ปีเป็นอายุกับหรือยิ่งกว่ากับก็ไม่เกิน120ปีหรือ160ปีอยู่ประมาณนั้นแค่นั้นคำว่ายิ่งกว่าอายุกับก็คือ100ปีเป็นอายุไขอายุกับถ้ายิ่งกว่าก็ร้อก็ได้ร้อยสามสิไม่เกิน160คนในยุคนั้น อยู่ประมาณนั้นแตเหมือนพระภาคุละเนี่ยอายุร้อยหกสบปีไม่เคยป่วยเลยเงีสมัยนี้ก็มีนะครฉะนั้นกรณีอย่างการเนี่ยอันนี้เป็นความผิดของใค ร, อรเออเป็นความผิดของพระอนุน์เป็นต้น<ม>และรวมพวกเราด้วย<ม>รวมพวกเราด้วย<ม>อืมเราไม่อาราธนาใช่ไหมทีนี้เอาประเด็นก็ประเด็นมันก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปลอบโยนพุทธบริษัทบอกว่า <c oughs> อย่าทุกข์ใจอย่ากังวลใจดูก่อนอานนท์เธออยากกังวลใจทำและ ว, วินัยที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราเราปริญญนิพานไปหนึ่งแต่ธรรมวินัยคือพระวินยัยปิดก2 1ง0 0ื 21, 000, พระธรรมขันพระสุตตันตปิดก2 1ง0 0ื 21, 000, พระธรรมะขัน พระพิธรมปีดก 42,000 พระธรรมขันธ์รวมเบม็ดเสร็จพระธรรมปีดกโดยพระธรรมเนวิ น, ยนัยน 84,000 พระธรรมขันธ์จกทํากิจาศาสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราน่าเสียใจไหมน่าเสียใจหรือไม่น่าเสียใจเพราะตอนนี้ยังมีพระธรรมวินัยอยู่ไหมพระธรรมวินัยทําหน้าที่เป็นพระศ า, าสาศดานั้นพระศ า, าสาศดากําลังทํากิจอยู่ เวลาเช้าปุพันเหรปินทปาตันจัเวลาเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จบินธบาตแล้วตอนนี้เราเห็นไหมเราเห็นพระธรรมวินัยกําลังออกบิณธบัตเห็นไหมพระธรรมวินัยที่ไปประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของภิกษุที่ท่านกําลังเดินตามพระธรรมวินัยเดินรับบาตรเราเห็นพระธรรมวินัยรับบาตรเราอยู่ไหมท่านเหล่านั้นยังโกนศีรษะ ลงผมเล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสารวพัดเดินด้วยอาการสํารวมรับอาหารและบินธบัตยังบินธบัติอยู่ไหมบินหรือไม่บินที่ท่านบินธบัติเนี่ยท่านเดอะทาตามอะไรทําตามพระธรรมวินัยเพราะใจท่านมีพระธรรมวินัยมากํากับวินัยก็กํากับพฤติกรรมท่านในการเดินยังไงใช่ไหมเดินยังไงทอดสายตายังไงมองในบาทยังไงวินัยกํากับอยู่ ธรรมะในใจท่านตอนนั้นก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญากำกับใจท่านอยู่กำกับกระแสชีวิตท่านอยู่ถามว่าธรรมวินัยกำลังไปรับบาตเราอยู่ไหมตอนนั้นเราเห็นไหม <im it> เห็นพระศาสดาที่อยู่ในฐานะพระธรรมวินัยกำลังรับบาตเราหรือไม่หรือเราเห็นแค่บุคคลเห็นแค่ลูกชาวบ้านหรือเห็นธรรมวินยัยถ้าเห็นธรรมวินยัยชื่อว่าเห็นพระศาสดากำลังไปรับบาตรเราแต่ถ้าเห็นลูกชาวบ้านก็ไม่เห็นไม่เห็นธรรมวินัย ปปพันเหปินทปาตันจะเวลาช้าพระศาสดาบิเดเสดบิณบาทสายันเหตธรรมเทสนังเวลาสายสา ย, สายก็แสดงธรรมเออมีพระตอนนี้พระธรรมวินัยคือศีลสมาธิปัญญาพระธรรมวินัยเนี่ยคือพระไตรปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยกำลังกล่าวพระธรรมอยู่ไหมเห็นพระธรรมที่กําลังไหลออกจากกระแสชีวิตของภิกษุอุบาสกบาสิกาไหมล่ะที่ท่านกล่าวถูกธรรมถูกวินัยยังพอมีอยู่ไหม เออนั่นแหละเราเห็นไหมว่าพระธรรมวินัยกําลังแสดงธรรมอยู่หรือเราเห็นลูกชาวบ้านกําลังแสดงธรรมเห็นบุคคลกําลังแสดงธรรมหรือเห็นพระศ า, าสดากําลังแสดงธรรมเห็นพระธรรมวินัยกําลังเกิดขึ้นศรัทธาวุริยาตสติสมาธิปัญญาเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะรายละเอียดก็ว่ากันอีกทีพระพุทธเจ้าก็บอกว่ า, วานี่ไงเราไปริเนี่พานไปหนึ่งแต่พระธรรมวินัย 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์จะทํากิจศ า, าสดาแทนเราหลังการล่วงไปแห่งเราชัดเจนนียังเดี๋ยวนี้ย ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นตรงที่ว่าเราเห็นประวัติศาสตร์จากการดีผ้า อ, อนนนาราตนาไม่ทันแล้วเราก็ประมาทมัวเมาตอนนี้พุทธบริษัทสภิกษุเป็นต้นจนถึงบาสบาสิกาเนี่ยไม่ยอมอาราธนาพระธรรมวินยัยให้มาประชุมอยู่ในกระแสชีวิตของตนเองปล่อยให้พระธรรมวินยัย ตายไปจากกระแสชีวิตของตนเองอันนี้ชื่อว่าพระธรรมวินัยได้ปริยนิพพานจากกระแสชีวิตของท่านคนนั้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยดำเนินชีวิตแบบไม่มีพระธรรมวินัยเป็นหลักไม่มีพระธรรมวินัยเป็นเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเลยไม่มีพระธรรมวินัยเป็นไปในเบื้องหน้าไม่มีพระธรรมวินัยประชุมในกระแสชีวิตแปลว่าพระธรรมวินัยคือพระศาสดาได้นิพพาน จากกระแสชีวิตของคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ยอมอัลาฮธนาให้พระธรรมวินัยที่แท้จริงเข้ามาประชุมในกระแสชีวิตตนเองนี้ชื่อว่าประมาทซ้ำซากไหมเออประมาทซ้ำซากไปที่ไหนก็ไม่มีพระธรรมวินัยเป็นหลักให้ความโลภนำพาชีวิตให้ความโกรธนำพาชีวิตให้ความมัวเมามืดบอดนำพาชีวิตไม่ให้ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักนำชีวิต ถ้าใครยังมีศีลประชุมอยู่ในกระแสชีวิตมีสมาธิประชุมอยู่ในกระแสชีวิ ต, ม, ม, ม, วตมีปัญญากระชุบประชุมอยู่ในกระแสชีวิตแปลว่าชีวิตของท่านบุนั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาอยู่มีพระธรรมวินัยกําลังเกื่อนหนุนกระแสชีวิตเพื่อจะดําเนินชีวิตไปสู่การดับวัตทุกข์ดับกิเลสและกองทุกข์ใช่ไหมแต่บางคนอยู่แบบไม่เคยอัลลัษณพระธรรมวิในัยให้มาเป็นหลักดําเนินชีวิตเลยอันนี้แปลว่าพระธรรมวินัยได้ปริญนิพานหนี ชีวิตหรือดับหายไปจากชีวิตของคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วชีวิตของคนคนนั้นก็อ nah, ยู่อย <bs> ่างมืดบอดอยู่อย่างประมาทอยู่อย่างมัวเมานี่เราจะโทษใครฮะใช่ บางคนเนี่ยเป็นพุทธแต่ในนามแต่พระธรรมวินัยได้ปรินิพานหนีชีวิตของท่านวุ่นั้นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็ต้องสมาทานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เป็นพุทธแบบแต่ในนามแล้วเราจะเป็นพุทธในฐานะเป็นข้อปฏิบัติเราจะเอาพระธรรมวินัยมาประชุมไว้ในกระแสชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าลมหายใจของข้าพเจ้าจะขาดก็จะขอลมหายใจขาดแล้วก็ตายไปกับพระธรรมวินัยนี่แหละ เราจะไม่ยอมให้พระธรรมวินัยปรินิพานไปจากชีวิตของข้าพเจ้าอย่างเด็ดขาดขอให้พระธรรมวินัยคือพระศาสดาจงนําพากระแสชีวิตของข้าพเจ้าจนถึงอนุปาทาปรินิพานได้เถิดเข้าใจไหมพอจะเข้าใจประเด็นนี้ได้ยัง เขาใจเลยฟังหลายรอบแต่มันต้องชัดเจนด้วยเนยชัดเจนขึ้นไหมมีเขาฟังหลายรอบเขาชัดเจนมีานบอกว่ากวันก็จะประมาณ45าวก็จะถึสี่้างแต่ะมองว่าประมาณสี่ปดหข้อมากขึ้นอะไรอง ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วเพราะว่าพุทธบริษัทเนี่ยพุทธบริษัทรู้สึกครั้งแรกจริงๆว่าเจ้าพิมพิสารเนี่ยขอให้พระเจ้าส่งแสดงธรรมเพี่ยวกันนเรื่องข้อฝึกเหล่านี้ดงั้นพุทธบริษัทเนี่ยจะต้องฝึกไม่ใช่อยู่แค่ศีลนะคร ถ้าอยู่แค่ศีน5้าก็แปลว่าไม่พัฒนาใช่ไหมซีลห้าก็เพียงพออยู่กันได้ฉะนั้นศีนแก็เป็นข้อที่ฝึกนะเพื่อไม่เห็นแก่กิเลสเช่นว่าจากตั้งแต่เที่ยงแล้วไปเนี่ยไม่ไหวหวัน่นก็ตั้งมั่นปฏิบัติไม่ขัดขืนใช่ไหมก็คือฝึกตนเองไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ราษฎรตัณหาคือความยินดีพอใจในรถ ไม่ใช่แค่นั้นคือเสียงประกอบดนตรีทั้งหลายการราการร้องทั้งหลายนี่ฝึกต่อไปเลยไม่ยินดีใ น, ะนก็รูปปัตนหาบ้างศรัทธาตันหาเป็นต้นด้วยแล้วก็ที่นอนโพภธภิภัฒตันหาเนี่ยที่ยินดีในสัมปะที่นิ่มนวลทั้งหลายเหล่านี้ก็นอนในที่นอนที่ไม่มีนุ่นและสลัมรีเป็นต้นอะไรนี้ฝึกนั่นแหละคือข้อฝึกที่ทําให้ตนเองว่า7วัน8วันครั้งหนึ่งก็จะทําให้ตนเองไม่ตามใจกิเลส เราจะเป็นข้อฝึกให้ให้เข้าถึงความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปปกติมนุษย์ก็สุขจากการเสพใช่ไสุขจากการได้กินของที่อร่อยอร่อยได้ดูสิ่งที่ชอบได้ฟังสิ่งที่ชอบนมนุษย์โดยทั่วไปก็เป็นอย่างี้ได้สัมผัสที่นิ่มๆชอบใจแล้วก็ได้ที่นุ่งที่นอนที่เหมาะสมอลังการละเอาละ8วัน7วันครั้งหนึ่งแล้วก็มาฝึกตัวเองเอาละเราจะไม่ตามใจตหา เราสามารถที่จะมีความสุขได้โดยชนิดที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพเราสามารถจะสุขได้โดยชนิดที่ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วนี่สุขจากการอยู่กับศีลสุขจากการอยู่กับสมาธิสุขจากการอยู่กับปัญญาเออนี่คื อ, อหลักการฝึกฝนพัฒนาไม่ตามใจกิเลสเป็นการตัดคอนซะเลยทำลายกิเลสทิ้งเลยนี่หลักการปฏิบัติที่พุทธบริษัทกระพึงกระทำ นั้นถ้าเรามองอย่างนี้ก็เริ่มจะได้เข้าใจหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงชาวพุทธไม่ยอมมาระธนาพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยปล่อยให้พระธระรมวินัยปรีณิพานหนีตัวเองประมาทแล้วประมาทเรา ถ, ถ้านอนประมาทให้ดูแล้วก็ไม่สํานึกจนพระพุทธเจ้า <laughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ก็ไม่ทสำนึกอีกพอมาถึง 2, 000, 5, 000. อพอมาถึงยุคเราเอ้ยประมาทซ้ํำซากเลยพุทธเจ้าก็ปอบโยนบอกว่าเรายังไม่บริญิพานเราแปลงสภาพจากขันห้าอยู่ในฐานะเป็นพระธรรมวินัย อ, อยู่ก็อยู่ไปพระธรรมวินัยก็อยู่ต่างหากชีวิตเราก็ต่างหากกลายเป็นอยู่ยังไม่มีหลักอยู่ยังไม่มีที่พึ่งอยู่ยังคนหลักลอยอยู่ยังไม่มีสารนะ แทนที่จะมีหลักมีที่พึ่งมีสารณ า, ามีเครื่องกําจัดภัยก็ไม่มีอยู่แบบอะไรมีโลภะเป็นที่พึ่งมีความโลภเป็นที่พึ่งมีความโกรธเป็นที่พึ่งมีความม wow, ัวมาล ong, because, ุ่มหลงเป็นที um oh le> ่พึ่งก็แปลว่ายอมเป็นทาสของโลภะโทสะโมหะแต่ไม่ยอมเป็นทาสของศีลสมาธิปัญญาไม่ยอมเป็นทาสของพระธรรมวินัย ต้องยาจริงๆไปถามว่าแล้วชีวิตเราหลงไหมหลงในการหลงในความสวยสวยงามงามหลงในการแต่งนะหลงในการเที่ยวเตะฮะหลงในทรัพย์หลงในบุตรหลงในภรรยาเมาไหมหลงไม่หลงเมาในทรัพย์เมาในบุตรเมาในภรรยาเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหนุ่มสาวเมาในวิชาความรู้ที่เรียนกัน โอโหเมาไหมล่ะเนี่ยเมาแต่นี่แค่หลงประเด็นมันอยู่ตรงไหนอะประเด็นตรงที่เราไม่ได้มาฟังพระธรรมวินัยพอไม่ได้มาฟังมาเรียนรู้พระธรรมวินัยเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ไม่มีหลักในการวัด แล้วก็ไม่มีหลักตรวจสอบงั้นถ้าอยากจะรู้ว่าเราโลภโกรธหลงเป็นอย่างไรก็มีหลักสิก็มาฟังหลักว่าพุทศาสด า, า, า, าบอกนี่คือหลงต้องไปสังเกตไปวิจัยไปแยกแยะไปพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นจริงๆโอ้หลงเป็นอย่างนี้เองนี่เราไม่ยอมมามาศึกษาหลักการไม่ยอมศึกษาพระธรรมวินัยแล้วเราจะไปรู้เองได้ยังไงใช่ไหมเรามันเป็นบุคคลที่พิเศษหรือเป็นคนปกติหรือพิเศษเถ้าคนปกติ เขาเกิดไปยังไงแล้วก็อยู่กับเขาอย่างนั้นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเขาวิบากพลดพลากเขาโศกแล้วก็โศกไปกับเขาเขาเจ็บแล้วก็ทุกข์ใจไปกับเขาแล้วก็อยู่กับโลกมาอย่างเงี้ยเราเคยคิดต่างได้ไหมไม่เลยก็ตามเขาอ่ะเขาให้เกิดมาปุ๊บ เขาแต่งตัวยังไงก็แต่งตามเขาก็ให้เรียนอะไรก็ไปเรียนก็ให้ให้ไปแต่งงานก็ไปแต่งงานก็มีลูกก็มีลูกเขาให้เลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูกให้ทํางานบริษัทก็ทํางานบริษัทก็ให้ขับรถก็ขับรถมันไม่เห็นคิดอะไรต่างเลยเคยเห็นไหมอุยน่าเบื่อเหลือเกินโอ้โหมันนี่ทุกมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องเพี้ยนประเด็นก็ต้องแยก ประเด็นมันก็คือแยกสองส่วนที่อะไรมันเป็นความเห็นอะไรเป็นความรู้ใช่ไหมก็แยกให้มันออกความเห็นก็เป็นความเห็นแล้วก็แยกให้ออกนี่มันสมมุติหรือมันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะบางทีเขาสมมุติเนี่ยตอนเป็นเด็กๆเขาสมมุติที่เป็นเด็กหญิงเป็นนักเรียนเขาสมมุติอะไรบ้างอ่ะเป็นลูกนักข่าวใส่ชื่อว่า สมมุติให้เป็นแม่สมมุติให้เป็นลูกสมมุติให้เป็นป้าปู่ตายา ย, ยายายอะไร <c oughs> ไม่รู้เนยเราก็หลงกับมัน <c oughs> ใช่ไหมเขาสมมุติให้เป็นเจ้าของบริษัท <c oughs> แล้วจริงๆมันเป็นจริงไหมแล้ว <c oughs> มันเป็นจริงที่ไหนแล้วมันสมมุติกันทั้งนั้นเนี่ยในโลกสมมุติเหล่านี้กรณีที่เราไม่สามารถเดินออกจากโลกสมมติได้มัน แปลว่าอะไรมันขาดตาคือปัญญาอย่างนี้ก็หลงสมมุติเขาให้ฉลาดในสมมติแล้วปฏิบัติต่อสมมุติให้ถูกพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นสมมุติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ใช่ไปร่วมหลงกับมันนึกว่าเปนจริงๆมั้นคนบางคนหลงสมมุติเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วไปหาหมอก็เป็นคนไข้ ไปรักษาคนอื่นก็เป็นหมอไปสอนหนังสือก็เป็นครูอาจารย์ไปเรียนหนังสือก็เป็นนักเรียนควาอมีสิ่งชีวิตออกมาหยัดท้องเราก็เรียกว่าลูกแต่ต้องหน้าตาเหมือนเราด้วยนะถ้าสิ่งชีวิตอย่างอื่นไม่เรียกว่าลูกอย่างเช่นพญาติเนี่ยออกมาหยัดท้องเราเราเรียกว่าลูกล <c oughs> เราไมเราจำกัดว่าเอออย่างนี้เรียกว่าลูกสมมตินี่ มองออกไหมเนี่ยตอนนี้หลงอยู่ไหมไม่หลงสมมุติแลยนะพอจะจะราูแต่ว่าบางครั้งคุณก็บอกได้วานกบอก่บางครั้งเราก็หลงเพราะว่าข้อมูลเราไม่พอไงข้อมูลไม่พอ การที่เรามาฟังเนี่ยต้องคิดดูที่เราสั่งสมปัญญาวันละกี่ครั้งแล้วเราสั่งสมที่ไม่ใช่ปัญญาวันละกี่ครั้งมันบาลานซ์กันที่ไหนล่ะมันไม่สมดุลกันเลยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราหัวไม่ดีนะไม่ใช่เราไม่ฉลาดนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่สิ่งที่เรามาเรียนรู้เนี่ยโดยมากเราไม่ค่อยเรียนรู้พวกนี้ไงเราไปเรียนรู้เรื่องเรื่องที่มันทาให้มึนๆงงๆกันเยอะ วิชาการใดๆที่ไม่ได้นํา อ, อกจากว่าจะทุกข์นะวิชาการเหล่านั้นเราชอบเรียนวิชาการใดๆที่มันจะทำให้เราจมอยู่ในทุกข์โอชอบเรียนจังวิชาต่างๆเหล่านี้เราสังเกตดูที่เรียนกันจริงเรียนกันจังเลยเพราะงั้นวิชาการที่จะเฝ้าโลกไบเนี้ยโห้ขยันเรียนกันเหลือเกินแต่วิชาการที่จะเดินออกจากโลกนี้ด้วยความปลอดภยนะัยไม่ค่อยอยากเรียน จริงๆแล้วมันเหมือนว่าทั้งๆที่ตนเองก็ไม่รู้มันมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าอยากหรือไม่อยากอย่างย้อมเนี่ยอยากจะกลับบ้านเนี่ยมันไม่อยู่ที่อยากนะมันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ว่าจะกลับบ้านถูกหรือไม่ถูกใช่ไหมละ่ะมันอยู่ที่ข้อมูลล้วนๆเลยอยู่ที่ความรู้หรือความไม่รู้ล้วนๆเลยนะตรงนี้ไม่ใช่ย้อมอยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกย้อมรู้ไหมว่าการจะเป็นมนุษย์นั้นมาได้ด้วยอะไร ต่ยอมอยากเป็นมนุษย์แต่ยอมทํา hmm. ข mm ้อปฏิบ hmm. mm ัต hmm. ิให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็ไปได้แค่สัตว์เดรัจฉานหรืออยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่มันไม่ได้ไม่ทําข้อปฏิบัติที่เป็นสัตว์นรกมันก็ไปได้สัตว์นรกหรือไม่อยากเป็นสัตว์นรกอยากจะเป็นสัตว์นรกแต่ปฏิบัติเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทําไปเป็นเปรตมันก็ไปได้แค่เปรตหรือเปรตกลายหรือมนุษย์หรือเทวดาหรือพรหมมันมีทางดําเนินอยู่มีข้อปฏิบัติอยู่มีหลักการอยู่ก็เส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันีี่นนเเาส้้ทง แล้วบอกว่าเราอยากจะไปเชียงใหม่แต่เราลงใต้มันจะไปไหนมันก็ไปนู่นแหละยะลาปัตตานีนราธิวาสไปนู่นแหละเพราะเราลงใต้มันไม่ได้ไปเหนืออย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่อยากหรือไม่อยากมันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ใช่ไหมล่ะการอะไรนี้การอยากจะไปเกิดเป็นสันนิโรกเนี่ยใช่ไหมอู้หไม่อยากเป็นไม่เป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วสัตราชานไม่เอาแล้วเปรตไม่เอาแล้วสุรกายไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นแต่ เราทำแบบไหนข้อปฏิบัติมันเป็นไหนถึงไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นใช่ไหมคนบางคนไม่อยากเป็นนะแต่ไม่รู้วิธีการเนี่ยไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ไม่อยากมาเป็นเลยว่างั้นในตรงเนี้ยประจําใจว่างั้นที่ไหนได้ไอ้ที่สิ่งที่ทํามันมาเพื่อจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่อยากแล้วสร้างเหตุแบบไหนมันก็จะไปข้างวันอย่างนั้นยอมอยากจะพ้นทุกอยากเหลือเกิน อ้อนวทุกวันมันไม่ได้ด้วยอาการออนวอนนะมันได้ด้วยการลงมือปาทมที่ถูกต้องนะยอมบอกไม่อยากจะตกเหวตายหรอกแต่ที่ยอมขับรถไปนะมันจะต้องตกเหวอ่ะเพราะไม่รู้ไงขอให้ปลอดภัยเธอะแล้วก็เหยียบรถไปเรื่อยขออย่าให้ตกเหวตายเลยขออย่าให้ตกเหวตายเลยแต่ที่วิ่งไปข้างหน้านเป็นเหวอ่ะยอมจะทํำยังไงก็ต้องตกเหว แต่ถ้ายอมบอกฉันจะไม่ตกเขียวฉันจะศึกษาเส้นทางฉันจอดก่อนแล้วก็ศึกษาเส้นทางอย่างดีเลยพี่ไอ้ทางนี้ไปนี่ตกหน้าผาไอ้ทางนี้รอดไอ้ทางนี้ปลอดภัยพี่ไปทางนี้มันอยู่ตรงนี้ต่างหากทั้งหมดเหล่าเนี้ยอยู่ที่ศึกษาอยู่ที่การศึกษาฝึกฝนไม่ได้อยู่ที่ว่าอยากหรือไม่อยากกา็ใช่ใช่ มันต้องเนื่งองก็ใช่งั้นก็ต้องดูว่าเราไปไปศึกษากับใครแล้วคนที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยเขารู้จริงหรือเปล่าออย่างนี้ก็แล้วแต่แล้ยตอเนี้ยแล้วแ ต, แวแต่แล้วแต่ชีวิตของแต่บุคคลอันที่พูดงี้พอจะชัดนะเหมือนกับกรณีที่ยอมอยากจะเรียนจบการตลาดเนี่ยยอมไปเรียนตรงไหนอะเออยอมไปเรียนที่ไหน เออยอมอยากจะเรียนการตลาดจริงแต่ยอมไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยนู่นยอมไปเรียนประถมไปเรียนมัธยมมันจะไปจบไงเขาก็ไม่มีหลักการในการตลาดในมัธยมในประถมนี่นปรน ะ, เ, ออะบบเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นก็คือ คนที่จะไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยใช่ไหมมันมีกุญแจไปหรื อ, อย่างไอ้กุญแจไขพระไตรปิฎกเน่ยเพราะพระไตรวิฎกนี่เป็นภาษาใช่ไหมเป็นภาษาในยุคหนึ่งที่เขแปลอย่างนั้นมันเหมือนว่าอ่านพระไตรปิฎกแต่มันไม่ถึงไงเราไงใช่ไหมเออเรามีกุญแจเรามีพื้นฐานยังไงเรามีเรามีที่ปรึกษายัางไง ไม่ใช่ไปไปมาๆก็เออนี่แหละพุทธวจะนะก็อ้างกันไปถึงใชแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราบอกต้องเอาคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้น น, นไม่ออกคว่าิหรือไม่ไมิคนก็มจะบอกว่าอันนี้ก็คือคพูดของพระพุทธเจ้าพูดของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าสำหรับมันก็เหมือนที่มันก็ย้อนกลับมาที่เดิม มีคนรู้งูงูปลาในวิชาการตลาดยมเรียนวิชาการตลาดมาเต็มที่แล้วเนี่ยถ้ามีใครมาอ้างว่านี่แหละวิชาการตลาดยอมฟังแลยอมรู้ไหมเพราะถ้าราไม่้เต็มที่เนี่ยเราจะอไออกเลยะค่่าอตลาดได้ต้อง้ถ้ากคนที่้นจะเาเดินในการเรียนู้ก็อ่าอยากจะรู้ยอมก็ต้องไปเรียนที่เป็นระบบ ไม่ใช่ไปอ่านพุทธวจนะย่อมก็ต้องเรียนตั้งแต่ระบบแรกเลยใช่ไหมปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ใช่ไหมเออยอมยังใช้เวลาเรียนตั้งสี่ปีเหมือนอย่างเนี่ยค้าในท่านจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าใครมาพูดหลักการที่มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ท่านรู้ไหมเนี่ยก็เออท่านจบมาทางด้านนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เหมือนกันถ้าคนที่รู้คําสอนของพระเจ้าต่อให้อ้างว่าพุทธวจนะอ้างมาสิอ้างว่า อ้างเป๊ะเลยอ้างมาเถอะแต่ส้งเกตดูเถอะที่อ้างมาอ่านมาสี่ห้าบรรทัดสิ 10, บรรทัดก็แล้วแต่แล้วเวลาขยายความบางคนอ้างหลักถูกไปแต่ขยายความเราจะเออเราจะเราจ ะ, เราจะรู้ชัดเลยไอ้เจ้านี่ไอ้นี้ต่อเติมแล้วเนี่ยต่อเติมแล้วแล้วก็อ้างวันเนี้ยไม่เอาอัจฉริยบ้างไม่เอาดีกาบ้างเนี่ยไหมแต่ที่ไหนได้ชั้นขยายได้คนเดียวอัจฉรกกิกะเขาอยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าอีกไม่เชื่อไต่ไอีเจ้านี่ เกิดมายุคหลังๆเราเอาไปเชื่ออะไรใช่ไหมล้วแล้วก็คนมงคนไม่รู้แม้กระทั่งภาษาบาลีไม่เห็นมืก็เหมือ น, นเด็กเออถ้าสมมุตินะถ้ามีเด็กห้าขวบเอาเรื่องจริงเนี่ยนะมีเด็กคนหนึ่งอายุห้าขวบยอมก็อายุห้าสิบสองยอมจบการตลาดมา เด็กคนนั้นใน ห, ห้าขวบบอกมันก็เนี่ยมันมาอ้างวันวิชาที่มันกำลังสอนคือเรื่องการตลาดยมจะไปเถียงกันยังไงยมจะเถียงไอ้เด็กห้าขวบยมมองยมมองกับเด็กห้าขวบแล้วยมจะมีความคิดยังไงคิดยังไงแล้วแต่คนไปฟังเจ้านี้เยอะเหลือเกินเนี่ยแล้วยมจะมีความรู้สึกยังไงนี่แหละเหมือนกันคนบางคนชอบอ้างพุทธวจะนะพุทธวจะนะ แต่เป็นดูฐานข้อมูลความรู้แล้วไม่มีอะไรเลยแต่เพราะอิญไอ้คนไม่รู้มันเยอะไงคนมันเหมือนกันมันเยอะไงมันก็เป็นแรงดึงดูดไปก็แค่นี้เองแต่เราจะให้ไปเถียงยังไงเอะให้คนอย่างโยมเนี่ยไม่ยจะไปเถียงวิชาการตลาดก็อิเด็กา่ารอบหน่อยเว้ยแล้วมันจะรู้รู้เรื่องกันไหมรู้หรือไม่รู้ออนั่นแหละอันเดียวกันงั้นอยแปลกใจอกระแส ขึ้นมาลักษณะเนี้ยเหมือนคนมาถามพระที่เขารู้พระธรรมคำสอนพระท่านก็มาถามออกมาบอก็ตอบยังไงวะเหียงกมันเด็กยอมปล่อยมันไปอย่าไปเถียงปล่อยปลยไปไม่รู้จะเถียงยังไงอ่ะเด็กมันก็ไปมันถ้วยนี่เดี๋ยวมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ เรื่องหนึ่งก็มันมัมนเด็ก ที่อ่านมายกอุปรมานี่ชัดไหมเออนั่นแล้วเราจะโกรธเด็กไหมอะไรแล้วก็เด็กแล้วหน้าให้อภัยไหมหน้าเห็นใจไหมที่พ่อหน้าเห็นใจหน้าตามใจหรือเปล่าเออต้องบอกว่าหน้าเห็นใจแต่ไม่หน้าตามใจตามใจได้ไงเด็กเนี่ยต้องตี ที่เบอร์ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ไม่ยอมตีเด็กเนี่ยต้องไปตีต้องจัดการไอ้นี้แล้วเธอ <laughs> <laughs> <laughs> เขาใจยัยยงต้อง อ, อตีแล้วก็ต้องจัดการว่าเนี้ยไม่เอาเที่ยวอะไรพูดมั่วๆจะไม่เพี้ยนไม่ว่างั้าว <h> อะไรจะไปใหญ่เลยดีดด <laughs> ถ้าถ้ายมเข้าใจคําสอนถ้ายอมเข้าใจคําสอนยอมจะแยกออกแยกอย่างนี้วิธีแยกในโลกใบนี้มันจะมีทางอยู่สองทางที่มีควรเดินคือ1การมาสุขาริการโโยค ก, การประกอบตนเองให้ติดแน่นในการมาสุขในการมาคุณหมกม่นในหมกมุ่นในทางสวยๆงามๆเพลิดเพลินเนี่ยอันนี้กลุ่มการมาสุขาริการโยโยค ทางนี้ไม่ควรดําเนินสองอัตตกิริยมัทานุโยกกลุ่มนี้กลุ่มติดทิฏฐิเข่งเครียดถกเถียงกันทะเลาะกันขัดแยง้งใช่มแต่สองทางเนี่ยไม่ทางที่ไม่ควรดําเนินผิดทั้งคู่เราแยกให้ออกกลุ่มที่ยอมพูดกลุ่มแรกเนี่ยนี่กลุ่มอัตตกิริยมัทานิโยโญกนี่ติดทิฏฐิติดความเห็นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งไม่เป็นไปเพื่อตัดสรุไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานกลุ่มหลังที่ยกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนี่เป็นกลุ่มกางระสุ ข, ขาริการโดยโยกติดแน่นในกางติดแน่นในโลภะอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งไม่เป็นไปเพื่อตัดสรุไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานทาง2ทางในพระเจ้าปฏิเสธสิ่งที่ควรดําเนินคือมัชฌิมาปฏิปทาเขาจยัง ก็แยกให้ออกถ้ายอมเถียงเป็นกรณีกรณีนี้มันไม่จบไงว่ายอมมองไม่ขาดมองโยอมมองสภาพสังคมไม่ออกมองสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมองมนุษย์ไม่ออกว่าตอนนี้มนุษย์มันกําลังเดินอยู่สองทางนี่แหละหนึ่งกามสองทิฏฐิใช่ไหมติดกามกับติดทิฏฐิในโลกที่ยอมอยู่ทางโลกก็เป็นอย่างนี้ติดกามกับติดทิฏฐิมาเป็นกลุ่มนักบวชก็มีกามกับทิฏฐิ ก็เป็นทางไม่ควรดําเนินเหมือนกันไอ้ทางที่ควรดําเนินคือสัมมาทิฏฐิหคือ ป, ปัญญาสัมมาสังกปะกลุ่มปัญญาใช่ไหมเป็นต้นเหล่านี้มัชฌิมาปิฎทาก็คือกลุ่มศีลสมาทิปัญญาที่จะดําเนินกระแสะชีวิตกลุ่มนี้ไม่ขัดแยง้งใครไม่ขัดแย้งไปฝึกโดยเองดังนั้นเราชี้ว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่โกรธเขามองออกมองสถานการณ์ออกแล้วก็แยกออกถ้าใครพูดปุ๊บอย่างนี้แล้วก็อ๋อกลุ่มนี้กลุ่มกามกลุ่มติดกาม ติดความสวยงามติดความสุขติดความเ พ, เพลิดเพลินกลุ่มนี้เถียงกันทะเลาะกันกลุ่มติดทิฐิอันนี้คืออัตตกิลมัานิโยโญ่อันนี้เป็นกมขขามมศุกริกานิโยโญ่ชัดเจนไหมเออยอมจะไปกลุ่มไหนอ่ะไปกลุ่มกามหรือไปกลุ่มทิฐิแ <c oughs> ม่ธรรมะชิมายงก็ต้องไม่ขัดแยง้งมัจฉิม า, าก็ชี้แจงได้มองออกไหมชี้แจงได้บอกเหตุบอกผลได้ว่าจะดําเนินชีวิตไปยังไง เป็นดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาไนงะเพราะปัญญาเรื่องการขัดเกากิเลสปัญญาต้องไปจัดการกามคือตัณหาปัญญาต้องไปจัดการทิฏฐิคือละไม่ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเราเงี้ยอย่งเี้พอยอมยกเป็นประเด็นประเด็นยอมก็แค่คุยกันเพลินเพลินคุยเพลินเพลิ น, นแล้วมไม่แก้ไขถ้าคุยอย่างนี้มันจะแก้ไขมันจะฝึกตนเองแล้วมันจะไม่ติดอยู่ ถ้าใครถามปุ๊บยองก็ตอบได้เลยออเป็นยังไงผูใช่มในกลุ่มการุขสริการนยิยมเป็นทางใหญ่ที่ไม่ควรดำเนินอัตั ก, กิดามาถานนิยกก็เป็นทางใหญ่ทางลำบากใช่ไหพระเจ้าใช้คำว่าอนริโยอนัตสัญหิตโตไม่เป็นทาไม่ใช่ทางดำเนินของพาริยะไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์สอิผล ถ้าเป็นการม่สุขการิการยโยกใช้คำว่าฮีโนคัมโมโบตุชนิโกะนาดิโยอนาตสานิโตเลยใช่ไหมบอกว่านี่เป็นทางต่ำด้วยต่ำซ้มด้วยลามมกด้วยใช่ไหมไม่ได้เห็นไหมไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคว้าคลายกำหนัดใช่ไหมอ น, นาริโยเนี่ยจะบอกว่าฮีโนต่ำซ้ำเลยนะ คำโมเป็นของชาวบ้านอนาริโยไม่ใช่ทางดําเนินของพระรยะอนาตสันยโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์สวดทิผลเนี่ยเดินไปสิทางพวกเนี้ยเดินไปก็เป็นนั่นแหละขัดแย้งกันทะเลาะ ก, กันแล้วก็แตกแยกแล้วก็จมปักอยู่ในทิฏฐิอีกคนนึงจมอยู่ในทิฏฐิอีกคนหนึ่งก็จมอยู่ในกามผิดทั้งคู่เอาแล้วอะไรที่ถูกมัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมมัชชิมาปฏิปทาเริ่มด้วยอะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง เห็ยนตาความเป็นจริงนะเห็ยนไม่ได้ขัดแย้งอะไรไม่ไปถกเถียงกันโอ้โหบ้าคลั่งใส่กันอยู่นั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ให้สังเกตดูไหมว่าพระเจ้าบอกว่าพุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุเป็นต้นเนี่ยบุคคลที่จะไปประกาศพระศาสนาให้สังเกตดูนะหนึ่งอนุปวาโทต้องไม่ว่าร้ายเขาเ อ, อต้องไม่ไปว่าร้ายเขาก็คือต้อง ต้องไม่กล่าวเท็จนะต้องไม่ไปกล่าวส่อเสียดไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวเพ้อเจอ้อใช่ไหมพูดคําจริงพูดคําที่เป็นประโยชน์พูดถูกกาลพูดด้วยเมตตาเป็นต้นเอาวเลยสิเนี่ยม่อนุภาวาโทต้องไม่ว่าร้ายเขาและไปแนะไม่แนะนําคนอื่นให้ว่าร้ายเขาแล้วก็ต้องเย็ดดูสิกรมที่สอนกันมันเริ่มต้นผิดไหมว่าร้ายกันแล้วทะเลาะกันแล้วขัดแย้งกันแล้วนุนใช่นุนไม่ใช่เป็นต้น สองอนุปคาโตต้องไม่ไปทําร้ายเขาและไม่ไป็นแนะนําคนอื่นให้ทําร้ายเขานี่หลักการประกาศคําสอนแล้วก็ปาติโมเขจะสังวรโรสํมรวมในพระปาติโมกสํมรวมอยู่ในศีลในอินทรีสังวรในปาติโมสังวรศีลอินเดียสังวรศีลอชีวะปริสุทธิศีลปัจญสันนิเสตศีลสัรวมในพระปาติโมกมัตตัญยุต่าจะพัดตัดสมิงเหมือนก็คือ <c oughs> าตเอาโทรศัพท์่ได้ไม้องไม่ตัดตัดนั่นจเสียดีกว่าอยู่ไม่่ไม่ต้องต้องตัดต่อบางคำนี่คำคุยกันบางอย่าง อย่างเช่นคุยเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรื่องทำมาเรื่องอะไรไม่ไม่ได้สําคัญํากัญเรื่องคุยเล่นแต่คุยที่มันถูกทํว่าวินยัยไม่ต้องกังวลหลักการที่ถูกต้องเราไม่ได้ไปโจมตีเราพูดหลักถ้าทำวินยัยถ้าทำวินัยไม่ได้ยกตัวบุคลคล กามสุขาลิการุโยกกามสุกกามสุกคกามสุขาลิการุโยกกามสุคับกาโยกก็คือติดในกามสายเรามคนติดสุกก็ใช่ติดสุกแล้วก็เหมือนกับคนจะจหลงเข้าไปอยู่ในก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ใชมันไม่ยามันเยอะทั้งคู่เยอะทั้งคู่เพราะสังเกตเห็น ใหญ่โตเหลือเกินใหญ่โก็กลุ่มกามสุข ก, ก็จะเป็นแบบนี้นใช่ไหมนั่นเดี๋ยวค่อยนั่นทีหลัง โรความหลงอย่างเดียวเลยอะค่ะเพราะว่าต้องการการสุขต้องการต้เกิดการเป็นครอบครัวหนึ่งทีและคุณแม่แกก็ไม่ด้สอไเแกสอแค่คำเดียวว่าทาดีได้ดีชั่วได้ช่วอไเน่ยแกจะพูดอยีถ้าเราทาดีก็ไม่รแกจะสอนตั้งแต่เด็กนะคะและแกก็เป็นคนดีแกก็เป็นคนดีแต่ว่าอย่างอย่างข้าวอะไรแกไม่คุข้าแกปฏิบัติไม่เป็น คือคือเองกรู้สึกว่าเวลาเข้าวาอะไรจะทาอะไรไม่พิเศษว่าถ้าแฟนม่คืนก่อนที่ไมรูมเรร้เรื่องเลยก็เลยขาดว่ะขาดเยในง่ที่ถ้า่งจะมาหนัหลายเรบสองสปีล่ะ้เข้าเริ่มมาฟังธรร ม, มก็คือตัวเองว่าจะจะเดิดเนี่ยฟังเพลงจะชอบฟังเพลงชอบดูห น, นังชอบอไป เที่ยวไสบายในเรื่องนี้จะชอบธรรมชาติฟังถ้าฟังเพลงฟังธรรมะอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยจะไปรูการไปทำฟังมากกจฉาเพางเพลงไม่เป็นสมดุลมันก็ไม่รไม่มีประเยชนกับสมองมความขี้เกียจนิดนึงสู้ฟังธรรมาอิจฉาที่ก็เลยมองว่าเออเอ๊แต่ทําไงฟังสายสาที่ เยอะมากแลก้เขาเขาบอกว่าเวลาเข้าไปแล้วรวยรวยรวยแบบรวยรวเจะขึ้นแบเลยเขจะมีะกป็ประเด็นนั้นก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้า ท, ที่เอามาสรุปไปนั่น่าจะชัดน่าจะชัดเจ๊มั是是้ยประเด็นป็รจริงๆในโลกใบเนี้ ม, มันเป็นทางใหญ่ทางใหญ่สองทางเนี่ยเป็นทางที่หมู่สัตว์ที่ขาดปัญญาทั้งหลายก็จะพากันวิ่งกันไป กลุ่มหนึ่งก็กลุ่มติดการติดติ ด, ต ด, ท, ด ท, ทิอีกกี่เออติดการอีกกลุ่มหนึ่งก็คือติดความเห็นสองกลุ่มเมื่อไปกันแล้วเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นทางที่พุทธเจ้าทรงปฏิศศศศเสธพระเจ้าแสดงธรรมจักญกับปวตันสูตรใช่ไหมสังเกตอะไรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควา บาราณสียังวิหรตีอิสิปตเนมิกกาตายย์ตระโคภะควะปัญจวกิเยพิคูอามันเตศีทเวเมพิงคะเวอันตาปปปิเตนัสเซวิตภากตเเมทเวโยจายังกาเมสุกาเมสุขันลิกานุโยโขหินโอคัมโมโพทุชนิโกอนาลโยอนาตะจานิโต โยจายังกตกิลมธานโยโคทุโคอนาเรโยอนาทสานีโตเอะไรอย่างเนี่ยสองทางไงหนึ่งกามมาสุขาริการโยบอกว่าการประกอบตนเองให้ติดหมกมุ่นในกามมาสุขในกามมาคุณเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ฮีโนเป็นของชาวบ้านเออเป็นของต่ำซามคัมโมเป็นของชาวบ้านก็คือชาวบ้านผู้บริโภคกามเขาอะเาเขาเขาหมกมุ่นกันอยู่ ปุถุชนิโกเป็นของปุถุชนคนที่หนานแน่นด้วยกิเลสในทางนี้คนที่หนานแน่นด้วยกิเลสหนานแน่นด้วยราคะหนานแน่นด้วยโทสะแหน่หน า, นานแน่นด้วยโมหะเขาก็พากันดําเนินไปหาว่าต้องการอยากจะได้สิ่งที่รวยที่มีลาบสกาละอยากจะได้วิมานสวยๆอยากจะได้สวัสด์ชัน้นนี้ว่ากัไนไปใช่ไหมนี่แหละปุถุชนิโกอนาดิโย ไม่ใช่เป็นทางดําเนินของพระอริยะนาตาสันิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์โสติไม่เป็นไปเพื่อปรัชญาประโยชน์คือประโยชน์อันิภัไม่ได้เป็นไปเพื่อความบุญกำนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อตัดสินไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพานแต่เป็นไปเพื่อจมอยู่ในวัฏฏะุก์ส่วนอัตติเดสมัฐานุโยค ก, การประกอบตนเองให้ติดแน่นอยู่ในความลําบากนะ ทรมานตนเองหรือติดทิฏฐิอันนี้ก็เป็นอันนิโยอันนี้ก็ไม่ใช่ทางดําเนินไปทั้งดูเหมือนจะเข้ามาสู่เป็นนักบวชแล้วนี่แหละแต่ไม่ติดทิฏฐิซะ น, นี่ไปติดความเห็นไปติดไอ้าการทรมานตนเองซะ น, นี่ว่างั้นเถอะไประบบความขัดแยง้งก็ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานเหมือนกันไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สรุปแล้วสองทางเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธและพระพุทธเจ้าก็นําเสนอทางที่ถูกต้องบอกว่า อาลโยอัดทังกิโกมาโคลนะฮะยมาร์มีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริที่ถูกต้องสัมมาวาจาการกล่าววาจาที่ถูกต้องสัมมากรรมตาการการะทําที่ถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องสัมมาวเยมาร์ความเย็นที่ถูกต้องสัมมาสติการระลึกในสติปัฏฐานสี่สัมมาสมาธิการตั้งมั่นในฌานทั้ง4ี่นี่ไงมัชฌิมาปิปทานเนี่ยเป็นทางดําเนินที่จะเป็นไปเพื่อ เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตต่สรู้เป็นไปเพื่อเพื่อพรนิพพานเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายครับยิ่งเป็นไปเพื่อแตัสรู้เป็นไปเพื่อพนิพพานพระเจ้าทางสายนี้สิ <c oughs> เอการโนยังพิคเวมารโคเป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ทางสายนี้เท่านั้นที่พระเจ้าดําเนินไปสัตตานางวิสุทธยาดําเนินไปตามมัชฌิมาปิฎิปทาแล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์ สวัสดิ์บริเทวนงังสมรติกมายะออตําเนินตามทางสายนี้แล้วจะพ้นจากความทุกข์และโทมนัจะพ้นจากความโศความร่าไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความนเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์และโทมณัสญยณสสะทิกมายะทางที่ไม่เข้าถึงอริยมรรคเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันทางสายนี้แหละสกทาคาณาคาเป็นพระอรหันต์แล้วก็ นิพพานนัสัจจิกริยาะดําเนินไปทางสายนี้จะทําให้กิเลสนิพพานและจะทำใหขันธะบินิพพานทางสายนี้คือเอกายโนอย่างพิกเวก็บบอกากายเอ ก, อ ก, อกายนุปัสสีเวหาติอาตาปีสัมปชาญโนสติมาวินิยะโลกกอภิชาธรมนัสสังโคไปลเลยดิพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและธรมนัในโลกเสื่อดายงี้เป็นต้นก็ย่าง ตั้งมาตั้งมาทิฏฐิหนึ่งกรรมสกาสมาทาตั้งมาทิฏฐิมีปัญญาที่ไปฉลาดเรื่องกรรมและผลของกรรมแยกเห็นผลได้เข้าใจว่านี่เป็นบาปนี่เป็นกุศลศ น, นี่ใช่นี่เป็นกายทุจริตจีทุจริตโนทุจริตนี่เป็นกาย สุจริติ์มโนสุจริติ์ันนต้องแยกได้ว่าการกระทําแบบนี้ที่เขากำลังทํากันอยู่เนี่ยเป็นสุจริติ์หรือทุจริตเพราะปัญญาเกิดขึ้นมันแยกบุญแยกบาปได้ไหมแยกบุญแยกบาปได้แยกคุณแยกโทษแยกเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แยกสิ่งที่ซมเอยปลาหีดเอยเลวและไม่เลวเป็นต้นเหล่านี้แยกได้หมดเลยดําเนินชีวิตอย่างนี้จึงจะถูกต้องดําเนินชีวิตนี้ไม่ถูกต้องโอ้สาคัญไหมเนี่ยเออนี่ไงสมาธิข้อแรกมันเป็นอย่างนี้แหละ ใช่ไหมเราก็รู้แล้วดำเนินไปอย่างเงี้ยผิดไหม อ, อ๋อเป็นกาสมาสุการิการโยงนี่หมกมุ่นในกาสมาสุขในกามาคุณเอาไปเงี้ยอัต ก, กิลามาตโยกที่ติดมารจนติ ด, ตดความเห็นขัดแยง้งทะเลาะ ก, กันโอ้เป็นทุจริตทั้งคู่เลยทรงทงัชิมาปฏิปาทาที่นั้นะตัวสมาธิทิก็เลยเป็นประการสําคัญนะั้โดยเฉพาะ ถ้าพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่ามัชิมาปฏิบัานี่ก็เรียกทางสายกลางไม่ใช่กลางคือครึ่งๆึ่งอย่างที่เขาว่าเช่นว่าแต่ก่อนฉันกินเหล้าวันวันละหกแก้วฉันก็เลยลดมาเหลือสามแก้วมันไม่ใช่กลางมันไม่ใช่กลางมันนมันก็บาปอยู่ดีไม่ใช่อย่างนั้นทาว่น ทำไมูอาคบอกว่าเนี่ยต้องฝึเนี่ยจาเดี๋ยวัญญัาวจะได้ริงจนยากให้ล่ข้อ่านก็จริงสายหลักการในมุดเนี่ย อำนาจแห่งใจกับปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาคือคือด้อยหลักเนี่ยกลุ่มเจโตวิมุตต์ท่านขับเน้นจากการที่คนที่ได้ฌานสมาบัติม า, ดมาได้สมาได้สมาธิมาได้ปฐมวิชาทุติยฌานตัติยฌานจตุติฌานเนี่ยต่อมาก็ใช้ฌานนั่นแหละเป็นบาตแห่งการ<อ>บำเพ็ญเอ อ, อกลุ่มนี้ก็กลุ่มสายเจโต สมกลุ่มของปัญญาวิมุตต์เนี่ยกลุ่มนี้ก็คือเดินวิปัสสนาก่อนเลยเงี้ยอย่างนี้น <ừ. S 1> ก็หลักการก็มีแค่นั้นส่วนรายละเอียดมันเยอะตรงเนี้ยคนส่วนใหญ่ที่ชอบเอาตรงนี้มาพูดกันก็ไม่มีอะไรหรอกนะบางทีตนเองก็ไม่เข้าใจหลักปฏิบัติอะไรเท่าไหร่แต่ก็ชอบพูดในด้านเจโตวิมุตติบ้างปัญญาวิมุตต์บ้างเน้เป็นศัพท์แต่ว่าจริงๆด้วยหลักการก็คือเจโตไม่เรื่องของใจ คือมนุษย์เนี่ยจริงๆนั่นต้องพัฒนา3ด้าน1ด้านพฤติกรรม2ด้านจิตใจ3ด้านปัญญาใช่ไหมสาด้านเนี่ยก็ต้องพัฒนาทั้งหมดด้านพฤติกรรมก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายวาจาและอาชีพเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเอาอะไรเป็นข้อฝึกก็ต้องใช้มีสีเป็นข้อฝึกพฤติกรรมด้านจิตใจอ่ะไอ้ด้านเจโตเจโตทั้งหลายเราเนี่ยในด้านจิตใจเนี่ย โอ้ด้านจิตใจมีหนึ่งหคุณภาพสองสมรรถภาพสามความสุขอะไที่จิตใจถ้าจะฝึกให้ได้จริงๆมันต้องฝึกให้ได้สามด้านด้านคุณภาพคืออะไรทำให้ใจเราเสียคุณภาพราคะความกำหนัดใช่ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินทำให้จิตใจเราเสียคุณภาพโทสะ ความกโกรธความหงุดหงิดเสียไห ม, มคุณภาพใจเสียเลยอด ท, ทูเท่าถอยเซ็งเบือ่อเ็าเรียกถีนมิทะนี่ทำให้จิตเซ็งจิตเบือ่ออุทาจากกุกุ จ, จัะฟุ้งซ่านลำคาญใจทำใหจ้จิตเสียคุณภาพไหมวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยสงสัยก็คือ ไม่ตัดสินใจในการที่จะเข้าฝึกตนเองตามเสียงสมา ธ, ธิปัญญาลังเลอยู่นี่แหละเดี๋ยวบ้างไม่เดี๋ยวบ้างอยู่อย่างเงี้ยลังเลจะเอาอยัางไงกับชีวิตอย่างเงี้ยอยากจะดาเนินทางโลกเดี๋ยวก็จะไปหาทางทำอยู่อย่างเงี้ยลังเลอย่างเงี้ยเป็นไหม เ, เออเนี่ยก็เรียกว่าทําให้จิตเสียคุณภาพหมดเลยเ่ย่ังนี้เป็นสนิมในใจ จิตไม่ได้คุณภาพเพราะจิตไม่เป็นไปกับเมตตาไม่เป็นไปกับกรุณาไม่เป็นไปกับมุทิตาไม่เป็นไปกับความละอายต่อบาปเ ก, กรงกลัวกับบาปไม่มีกตันยูกตาเวทีเป็นต้นเสียคุณภาพแต่ถ้าจิตมีคุณภาพก็มีทั้งเมตตากรุณามุทิตามีทั้งหิริโอดตปะละอายต่อบาปเ ก, กรงกลัวต่อบาปมีทั้งกตันยูกตาเวทีนี่มีคุณภาพสองสมตรติภาพหมายมาถึงเข้มแข็งบากบั่นก้าวไปใจสู้ อดทนทนทานตั้งอยู่บนเหตุและผลมีสติกำกับไว้กับตัวมีสมาธิคือความตั้งมัน่นเออ่างเนี้ยเนียมีสมาธิคือความตั้งมัน่นนี่คือสมัติความสุข ส, สุขภาพจิตสุขภาวะหรือสุขภาพจิตมีปราโมทปีติปัะสิทธิและสุขสมานัน้โอ้ดีได้หมดเลยได้ทั้งสมัติภาพคุณภาพและ เนี่ยด้เจโตคือจิตตัวนี้มันต้องได้คุณภาพแบบนี้ตอนนี้เสียหมดแล้วคุณภาพโดนกิเลสกุ่มลุมเสียหายหมไม่ได้ฝึกประการต่อมาคือด้านปัญญาเมื่อจิตมีคุณภาพมีสมรรถภาพแล้วมีความสุขมันถึงจะเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาถ้าจิตไม่ไม่มั่นคงจิตไม่แข็งแรงจิตไม่ตั้งมั่นให้ปัญญาจะอาศัยเกิดได้อย่างไร ปัญญาเหมือนไอตัวจิตที่มั่นคงแข็งแรงตั้งมั่นเหมือนกับสนามบินออสนามบินที่มีลันเวย์ที่ชัดดีแล้วปัญญาเหมือนกับจัมโบ้ระรอบที่ว่าเครื่องบินไอพ่นขนาดใหญ่นี่ล<ง>นะลงแล้วโอ้โหเป็นฐานเวลาจะวิ่งขึ้นะวิ่งได้เลยแล้วปัญญาเวลาจะโรดแลนก็ต้องอาศัยพื้นแผ่นดินที่ดีวิ่งปื๊ดปู้ขึ้นได้เลยที่ต่างอย่างนั้นนะ อนี้ไม่ไหวปัญญาไม่รู้มาดูแล้วโอลงจอดไม่ได้แล้วก็ขึ้นไม่ได้ปัญญาไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นไปสู่กว้างขวางได้คนที่มีจิตมั่นคงขนาดไหนฐานปัญญาดีขนาดไหนก็พัฒนาปัญญาได้ขนาดนั้นใช่ไหมเราก็ต้องดูเราเป็นคนจิตเข้มแข็งไหมเห็น ไ, ไหมเจโตอ่ะ เจโตวิมุตต์เน่ยมันต้องมีสภาพคุณภาพทั้งสมรรถภาพทั้งด้านความสูงจิตเนีจิตต้องแข็งแรงจิตต้องตั้งมั่นมันถึงจะเป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาวิมุตตเข้ามาเป็นฐานในการที่จะไปรอบรู้ในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วพุทธบริษัทแล้วแย่ yeah. กรรมก็แย่จิตใจก็อ่อนแอปัญญาก็จะไปเกิดยังไงเนีมองไปที่ไหนหน้าเป็นห่วงหน้าเป็นห่วงใครเนี่ย เป็นห่วงใครบางทีทุกห่วงลูกเบนห่วงสามีห่วงอะไรก็ไม่รู้แท้จริงอะคนที่น่าห่วงที่สุดมันกลายเป็นใครเนี่ยกลายเป็นเรานี่แหละเออเรานี่แหละยังโอ้โหแย่เลยนี่ยทำยังไงเนี่ยใช่ไหวมห่วงพ่อแม่หรือห่วงใคร <c oughs> อเอออย่างแย่ชัดเริ่มรู้จักตัวเองขึ้นมากขึ้นมันจะห่วง บางคนนี่โอ้โหจะเอาไงดีจะเริ่มตรงไหนยังเป๊ไม่ได้เลยชีวิตยังเริ่มไม่ถูกเลยอันทีอยากจะแก้ปัญหาสังคมซะแล้วโอ้โห จริงๆเวลาพูดถึงในเรื่องของตัวกิเลสเนี่ย<ม>กิเลสมันทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะอุตันามานาทิฏฐิไอตัวตัณหามนาทิฏฐิหรือตัวกิเลสเนี่ยเขาเรียกสมุทยัยเหตุของทุก <c oughs> อวิชชาตัณหาอุ ป, ปาทานสังขารและกรรม ตัวกิเลสทุกหมโห เ, เลยจริงๆแล้วจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มสมุทยาาาัยยสัจจะทีนี้กลุ่มสมุทัยยสัจจะเนี่ยเรามีหน้าที่ต่อมันคือปหานะคือกําจัดหรือละเสียเห็น ไ, ไหมทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของไอ้ตัวตันหาตัวสมุทยัยสมุทัยยสัจจะเนี่ยไอ้เหตุของทุก สาเหตุที่ทำให้ทุกเกิดขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยต้องกำจัดต้องละต้องประหานะประหารนะป ร, ะริญญาก็คือต้องใช้ปัญญาเขาไปประหาใช่ก่อนหน้านั้นพูดถึงทุกคือตัวปัญหาทุกขังป ร, ริญญาอย่างทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้ควรรอบรู้ควร จับตัวไม่ให้ชัดว่ามันได้แก่อะไรทุกหรือตัวปัญหาเนี่ยต้องกาจัดร ต, ต้องรู้จักขอบเขตของปัญหาว่ามันได้แก่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถือต้องทำปริญญาต้องรู้จักมันส่วนสมุทัยก็อย่างที่บอกเป็นปานะก็คือต้องละเหมือนสักครู่ที่พูดถึงในเรื่องของมานะก็ดีโทสาก็ดีสรบก็อยู่ในตัณหามานาทิฏฐิ ก็คือตัวกิเลสทั้งหมดมีอวิชชา ค, ความไม่รู้เป็นต้นอีกตัวหนึ่งคือนิโรดนิโรดเนี่ยอันนี้ความดับทุกอันนี้ก็คือไอ้ดับทุกเนี่ยก็คือสุขนั่นเองก็คือบรมสุขการที่ทุกดับลงไปก็คือเป็นความสุขขึ้นมานั่นนี่คือจุดหมายเป้าหมายที่ควรรู้ถึงควรบรรลุถึงควรไปให้ถึง สรุปแล้วก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ือทุกสมุทัยนิโรธสามตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะหนึ่งอันแรกต้องรู้จักทุกเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้ควรรู้จักสมุทัยก็เป็นกิจที่ควรละเป็นกิจที่ควรละควรประหารนิโรธก็เป็นกิจที่ควรประจักรแจ้งควรทําให้แจ้งควรทําให้มีควรทําให้เกิดขึ้นทั้งสามตัวก็ไม่ต้องไปทําอะไรสิ่งที่ต้องมาทํามาอยู่ที่ข้อมรรค นี่ควรเจริญนะเป็นภาวนาตับพะธรรมเป็นภาวนา <c oughs> เป็นภาวนาก็คือเป็นธรรมที่ควรเจริญควรทําให้มีควรทําให้เกิดขึ้นพอพูดถึงมัคคือมัชฌิมาปฏิปทาอันเดียวกันมัคคือศิกขาสามอันเดียวกันศีล ส, สมาธิปัญญาย่อลงไว้ก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือศิกขาคือข้อฝึกก็คือว่าวิธีการปฏิบัติก็คือฝึกศีลให้เกิดศีลที่ยังไม่เกิดก็ฝึกให้เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ฝึกให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีก็ฝึกให้มีให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญพิบูลยิ่งยิ่งขึ้นไปปัญญาที่ยังไม่เกิดไม่มีก็ทําให้เกิดให้มีขึ้นที่มีขึ้นแล้วก็ทําให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสรุปแล้วสิ่งที่ควรทําคือมรคนี่เองใช่ไหมเอามรก็มีหนึ่งกลุ่มปัญญาก่อนสา ม, มาทิที่ความเห็นถูกต้องสา ม, มาสังกป่าความดําเริถูกต้องเออสองตัวนี้เป็นกลุ่มปัญญาศิกขาน ด้านของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรรมตา่าสัมมาชีวะสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากรรมตา่าการกระทําทอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบอันนี้กลุ่มสี่ลสิกขาก็าฝึกให้มีให้เกิดขึ้นอันนี้เรื่องพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพสัมมาวิมะความเพียรเพียรในการละ บ, บาปเป็นต้นจะถึงเพียรในการจเจริญกุศลอันนี้เป็นกลุ่มสมาธิ สมาสติความระลึกในสติปัฏฐานสี่ระลึกระลึ ก, ลกสมาสมาธิคือความตั้งมัน่น3มตัวนี้เป็นกลุ่มสมาธิศิกขาก็ฝึกให้มีให้เกิดขึ้นเอาลลยทีนี้ทีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับกิเลสตัวไหนกุศลศีลฝึกฝึกไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะศีลเมื่อฝึกไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถละโทสะได้สมาธิละโรพาละราคะปัญญาก็ละโมหะใช่ไหม สรุปก็คือทีสิ่งที่ควรทําให้เกิดขึ้นก็คือปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีศีลศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่เป็นข้อฝึกเป็นข้อปฏิบัติสรุปแล้วทุกสมุทัยนิโรธควรไปทําอะไรเขาไหมสิ่งที่ควรฝึกควรไม่มีก็มาร์กนี่แหละฉะนั้นเราว่าโอ้เวลาเกิดเครียดไม่รู้จะทํำยังไงก็ไม่ต้องไปทํำยังไงก็มาเจริญนี่แหละเจริญมาร์ก เออเนี่ยไม่บอกว่าเรากําหนดขอบเขตความทุกข์ไม่สุกเลยกับว่าเจริญมรรคสิใช่ไหมมันจเจริญปัญญาที่มันจะได้ไปรู้ทุกข์จเจริญปัญญาที่จะได้ละสมุทยัยเจริญปัญญาจเจริญศีลสมาธิปัญญาที่จะได้เข้าถึงนิโรธใช่ไหมหลักปฏิบัติมาอยู่ที่มรรคบางคนโอ้โหเนี่ยช่วงนี้เครียดมากแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้อบรมมรรคไม่ได้จเจริญมรรคอืม ไม่ได้ฝึกศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นก็ทุกซี่โทสาก็มีกําลังที่ศีลไม่เกิดราคะก็มีกําลังที่สมาธิไม่เกิดโมหะก็มีกํ า, กากกลังที่ปัญญาไม่เกิดสรุปคุณไม่ฝึกศีลสมาธิปัญญาคุณไม่มา อ, อบรมมากไม่เจริญมากชีวิตคุณก็มีปัญหาสิแต่เนี้มองเห็นนี่ยังสรุปแล้วก็คือว่าทุกสมุทัยนิโรธไม่ต้องไปทําอะไรกับ ไม่ต้องไปทําแต่ต้องรู้จักเขาต้องรู้ขอบเขตเขาใช่ไหมว่าทําที่ควรกําหนดรู้ทําที่ควรละทุ่มทำที่ควรทําให้ประจกักษ์แจ้งแต่สิ่งที่ลงมือทํามาอยู่ตรงเนี้ยมาเอาอะไรแต่เนี้ยพวกเราเนี่ยถ้าจะทําก็ต้องทําอะไรเนี้ยทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำมรรคที่เกิดขึ้นแล้วให้ไปบุญให้เจริญไปบุญยิง่งยิ่งขึ้นไปเอามารรคใ้ข้อศีลเกิดหรือยังอา้าวยังไม่เกิดยังไม่มีก็ทําให้เกิดให้มีขึ้น มักในข้อสมาธิความเพียรเนี่ยสมาวิมาสมาสติสมาสมาธิสามองค์นี่เป็นองค์ของสมาธิใช่ไหมล่ะสมาวิจารสมากรรมตตาสมาชีวานี่เป็นองค์ของศีลอ่าทํำนี่ยังไปสมาทานศีลพูดเพ้อเจริทั้งวันแล้วมันจะเกิดไหมอ้าวไม่เกิดอีกแล้วมันคือว่าพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยมันมีเบื้องหลังอยู่ใช่ไหมไอเจตนา ศีลมันจะเกิดได้ก็มาจากเกียรติจำ侬มันจะความจงใจตั้งใจใช่ไหมเจตนาต้องดีพฤติกรรมออกมาต้องจะดีพฤติกรรมทางกายวาจาชี่ออกมาต้องจะดีเจตนาดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยต้องมีความรอบรู้ด้วยต้องมีความเชื่อมั่นด้วยต้องมีความวกล้าหาด้วยต้องมีความอดทนด้วยต้องมีสมาธิด้วยต้องมีสติด้วยใช่ไหมเป็นตัวกํากับในการที่ทําให้พฤติกรรมที่ออกมาในดีงามเรียบร้อยเออไม่ได้ฝึกแตพฤติกรรมอย่างเดียวฝึกได้ทั้งจิตใจด้วย แล้วก็กระทบไปถึงปัญญาด้วยมันก็หมุนกันอยู่อย่างนี้แหละแต่สำคัญว่าเราจะรู้ไหมวิวธีการฝึกจะทำยังไงนี่ตรงประเด็นอยู่ตรงนี้นี่เริ่มมองเห็นไี้ยังยากไหมเนี่ยเหู่แบบนี้ ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงในเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นใช่ไหมโลเกียมาร์กเนี่ยยังไงมันก็ยังสมัครคีไม่ได้จนพัฒนาไปถึงโลกุตระมาร์กได้เหมือนไรมันถึงจะเป็นมาร์คัดสมัครคีมันถึงจะประกอบกันได้มันถึงจะมากันทั้งหมดมันถึงจะเรียกประชุมได้ครบตอนนี้มันเรียกประชุมไม่ครบหรอกเป็นเพียงปัจจัยต่อกันเนี่ยส่งเสริมกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆื่อยๆจนถึงโลกุตตระเมื่อไรปุ๊บมันเรียกประชุมกันหมดเลย นะองค์มรักทั้งหลายทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมา ส, สังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวสัมมาวิมารสมาสติสัมาสมาธิเป็นมรคสมังฆีมันไม่ใช่แค่นั้นเนะี่ยังมีองค์ธรรมอื่นๆอีกมีทั้งศรัทธาใช่ไหมศรัทธาก็มาฉันทาก็มาอลไรก็ไม่รู้จิตตะก็มาโอ้อีกเยอะมากเลย ส, สติปทานสมาปิปทานอิทธิบาทอินท ร, รพีพระละโพชง์อริยมรรคพอที่ปักยธรรมต้องประชุมกันทั้งหมดไม่ใช่ประชุมแค่มรรคอย่างเดียวโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลย ในกรณีการประชุมคุณธรรมระดับสูงเพื่อกําจัดกิเลสเป็นสมุทเฉทอาหารโดยชนิดที่ไม่ให้กิเลสให้กิเลสนิพพานเนี่ยต้องมีการประชุมวงมรรคขนาดนั้นประชุมวงธรรมของโพธิปกักขิยธรรมอย่างมากเลยตอนนี้เราเรียกประชุมไม่ได้มันก็ยังประหารกิเลสไม่ได้ใช่ไหมมันจะเรียกประชุมได้ไงพฤติกรรมมันแย่ขนาดนี้เรียกประชุมได้ไหมแบบนี้ไม่ได้สภาพจิตใจอ่อนแอไหมอ่อนแออีกทอ้อถอยทอ้ทอแท้อไม่ได้อีก แล้วอย่างนี้กลุ่มว่าคุณธรรมทั้งหลายสติประฐานจะลงจอดได้ไมเนี่ยสติประานสมประธานอทธิบาอิติพระพุทงอริมังพอที่ปากธสถาลงจอดไม่ได้สนามวินนี้เป็นสนามจงเข้าใจอย่างว่ากระแสชีวิตที่อ่อนแอเหลือเกินไม่แล้วไม่ลงจอดเราสะสมไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยันก็เาก็ลเองเมื่อไม่มันมันต้องมันต้องทำแบบมีแผนห้ามเรื่อยๆเชื่อ ใช่รมอะไรคไม่แของมันต้องมีระบบที่การกระทาทั้งหมดที่พูดพูดไปเนี่ยก็คือระบบในการจัดแจงในการการประชุมธรรมะไม่ใช่อยู่อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยอะอะไรเรื่องอะไรมั น, นไม่มีเราค่อยเป็นค่อยไป อย่างที่บอกถามถามยมเล็กที่บอกว่า<อ>ถ้าไฟมันไหม้กุดเนี่ยยมเล็กบอกวก็ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆเดินก็อย่างที่เล็กกิศินบอกว่าก็จะจะ <c oughs> ค่อยๆสะสมการเป็นระบบเนี่ยต้องค่อยๆสะสม ต้องรู้ในแต่ละข้อแต่ละข้อทุกเรื่องนะประเด็นก็คือว่าเหมือนเราจะทําบริษัทเนี่ยต้องรู้ไหมถ้าไม่รู้เจ๊งไหมเอออันเดียวกันกรณีาการที่เราประชุมกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดก็คือปัญญามันต้องรู้ต้องรู้คําสอนของพระเจ้าเพื่อรู้คําสอนพระเจ้าเส็เสร็จแล้วเนี่ยวิธีการใช่ไหมภาคปฏิบัติการจะเกิดเหมือนกรณีบอกการน มักเป็นกิจที่กวรจรเลินเงี้ยให้เจริญยังไงมักมีศีลสมา ธ, ธิปัญญาจะเรินยังไงเเนี่ยพอบอกเจรินยังไงเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเหมือนบอกว่าจะไลไปกรุงเทพต้องขับรถบอกขับเป็นไหมไม่เป็ น, ปนอพอ บ, บอกไม่เป็นเนี่ยโอ้ต้องต้องฝึกแล้วใช่ไหมต้องไปเรียนไมเนี่ย เรียนขับรถอันเดียวกันเลยเนี่ยล้วบอกว่าเราต้องการอยากเจริญศีลไม่รู้เลยว่าศีลคืออะไรเอาศีเนี่ยเจตนาศีลเป็นยังไงเจตสิกศีลเป็นยังไงสังวรศีลเป็นยังไงอวิติกรรมศีลเป็นยังไงงงหมดเลยแต่เนี่ยไม่รู้อีกโอ้ไปรักษาศีลไปเจริญศีลเนี่ยแต่ไม่รู้จักศีลอีกอาจจะไปเจริญสมาธิไม่รู้อีกไอสมาธิกับ เอ้แวอความโลคกับสมาธิมันต่างกันยังไงความโกรธกับสมาธิมันต่างกันยังไงขีน้มิถะหดหูท้อถอยมันก็เกิดในจิตเนี่ยใช่สมาธิไหมไม่ใช่ฟุ้งซ่านลำคาญก็ไม่ใช่สมาธิรังเลสงสัยก็ไม่ใช่สมาธิอสมาธิมันอยู่ที่ไหนอยู่ในจิตนี่แหละแล้วมันปนๆปปปปปกับกิเลสนี่แหละเอาเราสิแต่เนี้ยเรา จ, จ, จะเจริญสมาธิไม่ได้จเจริญกิเลสกิเลสเป็นอะบ้าโอ้โหเป็นเรื่องเลยต้องไปเรียนรู้แล้วโอ้ย่างเงี้นะ ลักษณะจิตที่เป็นสมาธิมันเป็นอย่างนี้นะสะอาดเอยียบอ่องฟองแผ่วเป็นยังไงตั้งมั่นเป็นยังไงไม่หวั่นไหวเป็นยังไงฟังนะจิตที่ไม่วกแวกไม่หวั่นไหวจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีความใสกระจ่างมองเห็นอะไรได้ชัดออวิธีจะฝึกรรทํำยังไงทําทจิตที่ฝึกอะไรอานาบนสเตสสมมุตนะิเ์ยอ่าดูลมหายใจเขาเอาดูยังไงโอ้โหรายละเอยียดต้องไปบอกอันนี้ต้องการพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้มันแยกไม่ออกจริงๆ เช่นความโลภมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้มันกำหนัดยินดีเพลิดเพลินมันติดใจในอารมอย่างนี้ความโกรธมีความปัททุสลายในอารมอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วความเครียดเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยความหลงเป็นอย่างนี้อ่าแล้วไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นอย่างนี้ต้องรู้ไหมเออเนี่ยมันประเด็นตรงนี้แหละก็เหมือนบอกว่าเวลาจะขับรถไปเนี่ยวิ่งปุ้ดไปเนี่ยนะเฮ้ ไปถึงจะไปทางอยุทยาไปไม่ได้ไม่ได้ต้งเดียวก็ไปตังบงบัวทองอวิ่งไปเลยเต้นวิ่งไปเรื่อยๆเขาบังบัวทอไปเข้าตรงไหนแต่เนี้ยแจ้งวัฒนะหรือไปที่ไหนดีนี่จะไปทางแบงค์แครไลน์หรือจะไปบางแคอะไรเงี้ยโอ้โหต้องมรู้ไม่รู้ไม่ได้มีเหมือนกันแล้วก็วิ่งไปต้องรู้ด้วยนะนี่เหมือนกันเดินกระแสชีวิตไปเดินจิตใจไปเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้อกุศลอกุศลไม่ใช่แล้วต้องอออกเอาออกเอาออกุศลเข้ามาใช่ไหม กระแสการดําเนินชีวิตก็ต้องแบบนี้ตลอดไม่ใช่ว่าเออแล้วก็เดินก็ให้เดินก็ไปเดินก็ให้ไปนั่งก็ไปนั่งอันนี้มันรูปแบบอะแต่เรื่องเรื่องมันจะนั่นหรือไม่มันต้องดันจิตใจแล้วจิตมันเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีจิตหดทูยก็มีท้อถอยก็มีจิตแข็งแรงตั้งมั่นก็ดีก็ต้<ค><ณ>องไปแยกตรงนี้แหละนี่เรื่องใหญ่ตรงนี้รู้นี่เละยากไหมเนี่ยไม่ยากใครไม่รู้ เออเราเรายังมีลมหายใจอยู่หรว่าเราใช้ลมหายใจที่มีถือเลยเริ่มไหลนะสรุปก็คือว่าเดี๋ยวไปฟังดีไหมฟังให้เกิดความเข้าใจนนแล้วก็ฟังให้เป็นระบบะไม่รู้ว่าผ้าเรียงไว้ตามลำดับหรือเปล่าเรียงไว้สตมัยปัญญาไม่รู้เรเียงสูตรไหนไว้ก่อนไว้หลังยังไม่รู้เลยใช่ ก็เดี๋ยวเอาธรรมะไปฟังกันมีจะถามอะไรไหม